นะย่อมได้อ น, นิสง์มากกว่าผู้ไม่มีศีลนะการถวายทานกับพระเรียบุคคลก็ย่อมได้รับอ น, นิสงฆ์มากกว่าหรือย่อมเกิดอ น, นิสง์มากกว่าการถวายแก่ปุถุชนนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะเพราะว่าเมื่อเราถวายทานกับผู้มีคุณธรรมผู้มีศีลหรือว่า พระิยาเจ้าทานเหล่านั้นเนี่ยท่านก็จะไม่ได้นําไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือว่าไปใช้ในทางเสียหายปนเปลือกิเลสแต่ว่านําไปเป็นประโยชน์นะกับส่วนรวมต่อไปเช่อนอาหารถวายกับพระริยาเจ้าท่านก็จะได้กําลังได้เลือดได้เนื้อนะเพื่อจะ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 ถวายทานนี่มีศนะีลนะบุญที่เกิดขึ้นย่อมมากกว่าคนที่คนถวายทานที่ไม่มีศีล น, นะหรือมีศีล น, น้อยกว่าอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ชาวพุทธเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะในคัมภีอัตถกาถาเนี่ยพระอัตถกาถาจารย์พระอัตถกาถกาจารย์คือผู้แต่งคัำพีอัตถกาถาที่อธิบายพระไตรปิฎก มีความสำคัญรองลงมาจากพระเตรเปโต ก, นะก็มีตอนหนึ่งท่านตั้งคําถามว่าข้อที่หนึ่งพระพุทธเจ้าให้ทานกับพระสารีบุตรกับข้อที่สองพระสารีบุตรถวายทานกับพระพุทธเจ้าทานของผู้ใดมีอนิสงส์มากกว่านะทานของพระพุทธเจ้าหรือว่าทานของพระสาริบุตรนะ คนส่วนใหญ่ก็หรือแม้ที่นี้อาจจะเดาว่าถ้าตอบว่าทานของพระไตรปุฎณ์นะมีอนิสงส์มากกว่าเพราะว่าถวายกับพระพุทธเจ้าถวายแก่พระพุทธเจ้าถ้าตอบแบบนี้ก็ก็ผิดนะพร ะ, พระอัคคะรัตจารถึงก็ไขว่าเฉลยว่าเนี่ยทานของพระพุทธเจ้าที่ให้กับพระไตรปุฎณ์เนี่ยมีอนิสงส์มากกว่า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 อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราควรจะรับรู้นะแล้วก็ทําความเข้าใจถูกต้องเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยอยากจะได้บุญเยอะๆก็ไปตามหาถึงกับไล่ล่านะพระอรหันต์ทั้งนีต้ตัวเองก็อาจจะไม่ได้มีศีลมีธรรมมากนะแต่ว่าคิดว่าถ้าไปถวายทานกับพระอรหันต์แล้วตัวเองก็จะได้บุญเยอะ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 นะให้มีศีลมีธรรมนะและการที่เรามีศีลมีธรรมนั่นแหละก็จะทําให้ทานที่เราได้บำเพ็ญ น, นั่นเนี่ยมันมีอนิสงค์ขึ้นมาเองนะอันนี้เป็นความเข้าใจที่คนทุกวันนี้ยังไม่ค่อยได้ตระหนักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้สนใจที่จ ะ, ะรักษาศีลให้ดีนะคอยแต่จะไปตามว่าที่ไหนมีพระอรหรันตะ์ก็ไปทําบุญกับท่าน ซึ่งบางทีก็หลุกถูกหลอกให้ง่ายถูกหลอกได้ง่ายๆนะเพราะว่ามีการแต่งตั้งผ้ารูน้ารูนี้เป็นผ้าละหา์อย่างเนงรค้ำนี่ก็เคยถูกแต่งตั้งมาแล้วเป็นผ้าละหารคนก็แห่ไปทําบุญเสร็จแล้วทุดท่าก็พราะตัวเองถูกหลอกนะบุญก็ไม่ได้นะเงินก็เสียไปแลกะก็เตรียมรับพร